ไฟที่ยังไก่ใหก้วนก็ไหวไฟที่เผาอาหารห่ยย่อยบ่เห็นเหรครในถาดไฟบ่เห็นพระญเหรอหารลาญในน้ําเนี่ยหาผลาญในรูกบ่เห็นเนี่ยดินน้าไฟร่วมกันเป็นลายเดียวว่าลูกเนี่ยหาผลารในกล่องน้ากล่องลูกบ่เห็นน่ยหาผลารในกล่องน้ำมาเนี่ยเวทนาข้อมเสวยอารมณ์สุขโทกเบคานี่ก็เป็นพระสังฆเวทนาสัญญาข้อมจำจํหลุมจำเสียงจำจินจำรสจาโรดจำพระจำธรรมารม ก็พอเห็นหเนี่เป็นแต่สัญญาจกัดาเนี่ยสังขารเนี่องแตงทางิดให้ดีให้ตัวให้เรวก็เป็นแค่สักข้อข้อผงแตงทางคิดหาพลังในเวียนญาณฮเจ้คุวิญญาณเวีานทางดวงตาตาไปเห็นโกเกิด้อมันขืนจากเจ้าคุยเวียญาณงกระทบหูเกิดข้มนข้นจลกตตเวีนญาณกินประสบกะมุกมเกิดข้อมันขืนจาขานวีนญาณลดกระทบเลี้ยงเกิดข้อมันขนจากคิ้วหัวเวียนญาณผลทัพกระทบกายเกิดข้อมเกิดข้อมันขืนจากกายวียญาณ ทำมาล้มเกิดขึ้นเรียกว่ามโนเวียน ญ, ญาณหาในพระรหาัสนเวียน ญ, ญาณกาหกเข้่าเห็นในสัมผัสหกเข้เห็นในเวสนาหกเวสนาสามเข้าม า, าเห็นนั่นเธอหาแล้วหรือยังหาแล้วเห็นไหมละ่ะไม่เห็นพระเข่าไม่เห็นทําไมเธอถึงว่าพระหรหัสตายแลูกแต่ทัานหามันก็ไม่เห็นแล้วทําไมจึงยืนยนันพระหรหันตายแลูก เออเออจ้า ก, กับผมแต่ ก, ก่อนกับผมยังไม่รู้ครับเดี๋ยวนี้กับผมรู้แล้วเออถ้ารู้แล้วเราจะถามต่อไปอีกพระราหัมตายแล้วไปอยู่ไหนมีผู้ถามอย่างนี้เธอจะตอบยังไงก็ต้องตอบว่ารูปเวกนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่ที่ยงนั้นหลับไปแล้วเออดีละดีละที่มาหามหาภาะหันใน้างกระดูกมณฑลยังไงสร่า ง, งาบอกมึงนี่ ข้าหาตัวจริงไนีพยับแดบนะฮะไปต้องเขาเห็นโหจังหวะคนผู้อยากเข็นพระลหันก็ต้องเป็นพระละหันเจกอนม่เป็นพระหันเาก้อนไปหาพระละหันมันจะเห็นบอกตั้งบอกผู้ใดอยากเป็นพระสวดา์บันกัเป็นอยากเห็นพระสวดา์บันกับเป็นพระสัดาบัณฑ์จ้ก้อนแต่เมื่เป็นพระสวัสดิบันฑ์เห็นบอกผู้ใดอยากคุณะเกือเท่มกับจีบจ้กอนหลวงสั่งว่า โดวมาเบิ่งพรหลัหรอเขาตัวเขาตัวอะไรวาเบิ่งเขาตัวมาเบิ่งพร ห, รหลงาหารังพระหลนงกิเลสลายมันหรอเกิันไ้ยังไงแม่เมื่อวันพระหรังดรอปไงกิเลสพัฒน์จหลายปัญหาไปเป็นแพ้่าผันดิบมันเขาตัวจังไรกัมื่อห า, านนองแสนโมตัว ถ้าหลายปันเท่ากิเลสเนี่ยโลกันองเรียนก่อนกมาค่ะถึงเอารูกไาลงพูไปต่างๆใช่ไหมคะคือปวดรู้นะคะวางเตตาสามาถอาไว้ค่ะหน้าหน้าอ้โอโอ้โตลงพูลงพูากาี่สุดลงมาที่แบั้นนาหน พระหานกี่โกงกเก่งมึงขึ้นเด็เข้าไปเทีาให้คะแนนพระทหารสุ่มหนึ่งเขาให้คะแนนเลนเกดูกนยังนี่พระทหารเลนเลกพระทหาหาพยหาขอมึนเขาให้คะแนนพระหานสุ่มหนึ่งถือแต่เสยศาสตร์เขาหาอเมือแต่เขาจะตังคให้นั่นเเขาตังค์ประเตังค์ให้คนเป็นพระทหารเขาจะเป็ยนยังไงเปลี่ยนพระพุทธเจ้าแต่เนาะแต่วุ้งก็ไม้เข้ากไงแต่วุ้งก็ อะไรแบบนี้พระเนอะคุ้มเอปบรรทุกปรรทุกรกพระ่ไปตัวนับักับับกับรถคันนี้เออไปรรทุกบรรุบรรุกบรรทุกบรรับับับับ เขาย่เดียวก็นน อ, กอ่านไงบ่อ่านเอ้ยพระาหันศีโลประัติมันมแม่นดอกวัตตัวแม่นเองเดียวโอ้ยเพื่นก็บโลว่าเพ่อนเปนพระหันเนากูไปถามมลวา่าปงบ่แม่นขาหนึงน่งรําดูปะยัพระศรีกับโบจะรับยังก็่น เขาเหาะกูคก่ับละ บ, บอวัส <c oughs> ดุเหล็นะ <c oughs> กเพื่นวาห้าเป็นทหารเพื่อนกับห้าวของเพื่นดอกห้าวเพื่เป็นม้าเพื่นวายห้ามันบไม่หางมันกเป็นดอกค <c oughs> ด, กดีว่าได้ว่าเอาใช่กิปฏิบัติทีไงจะใส่ซื้อเอาไปยังใ <c oughs> ส่ซื้อเอาใส่ซื้อเอาไปยังใส่ซื้อหะไรซื้อเอารห่รางออก ธาตุาลมธาตุลมมีหกธาตุดินมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับฟังผื่ไตปอดใส่ให่ส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า14 1สี่1ุ1ห้าหกเจ็ดุแปดเก้าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกมากหมอหัวใจตับลางผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้เลอยอาหารใหม่อาหารเก่าสิบสี่สิบสี่กัห้าเป็นสิบเก้าธาตินมีสิบเก้าธาตุน้ำดีเล็น้องเลือดเงออือมันข้นน้ำตาเคลียมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดธานา้ำ สามหกเก้าธาตุธาตุสิบสองธาตุไฟไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโฉมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เออาหารให้ย่อยธาตุไฟสี่ธาตุลมหกลมพัดขึ้นบางบนลมหายลมเลอลมอ้วกลมพัดลงบางต่ำลมหายลมลมหายอุจจระหายปัสสวะลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นบางบนลมพัดลงบางต่าลมในท้องลมในใส้ลมหาตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกสามหกเนี่ยๆจะไม่มีเสียดลมพัดขึ้นบางบนลมพัดลงบางต่ำลมในท้องลมในใส้ลมพาดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าจะนับลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอันเดียวกันก็เป็นลมหก ถ้าเป็นคนละอัางก็เป็นลมเกล็ดถ้าลมไม่เกล็ดนะเนี่ยดินน้ำไฟลมมาชนกันเป็นกายเยอะกว่าลูกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น แ, แล้วก็แปลปวนและแตกสลายเหมือนกันเภชนาความถวายอารมณ์นี่ซุกทุกข์อุเบกขาเป็นทน่อนปัญญาความจำสัญญาจำเหตุ จำรูปจำเสียงจำกลิ the ่นจำรสจำโสดพระจำธรรมารมณ์ังขานตรงแต่งแห่งจิตให้ดีให้ชั่ววิญญาณจักคู่วิญญาณวิญญาณทางดวงตาโสตวิญญาณวิญญาณทางหูคณะวิญญาณวิญญาณทางกมะโหลกที่หาวิญญาณวิญญาณทางริ้นกายแวิญญาณวิญญาณทางกายมะโนวิญญาณวิญญาณทางไก่วิญญาณหกสนี้เกิดขึ้นแน่แป่าต้แจกสร้าเหมือกันสัมผัสหกจักคูสัมผัส ตาไปห็รูปสัมผัสมาจักกูสัมผัสจักกูสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสคิวหากาสัมผัสกายสัมผัสมนุสัมผัสสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือสุว่างสุว่างอุเบกขาบามีชื่อตามอายุนาชายเป็นหกคือจักกูสัมผัสป่าชาเวทนาโสตะสัมผัสป่าชาเวนาาะสัมผัสป่าชาเวทนาคิวหาสัมผัสป่าชาเวทนากายสัมผสป่าชาเวทนามนุ er. สัมผัสป่าชาเวทนา เวทนาเป็นปัใจจัยให้เกิดปัญหาพ้าเยอทยานในเวทนานนเวทนาสุขรังเกียบเวทนาทุกวางเฉยในเวทนาอุเบกขาเวทนาทั้งหลายก เ, กเกิดขึ้นแล้แต่คนนั่นแจกผลอะไรกันกันถึงเราเนี่ยชักลองสู่อนิจจังหมดนี่พรพุทธศาสนาชักลองสู่อนิจจทุกขังอนิสาหมดนี่ดิจะทายัางไงก็ทำซะตรงนี้ ดำลงลงตระกูลระพุตตนเป็นคนควรระซบหมอนระดกเมื่อท่านรองรับไปแล้วธรรมบุญที่ในท่านนี่ทําถูกแล้วเมื่อท่านรองรับไปแล้วธรมบุญที่ในท่าน <c ough> ทําถูกแล้วอ <c ough> นี่นี่มามารับรางวัลรับความกลัวตบับเท่านั้นเป็นธรรมมาธิปไตยไม่ใช่ประธาชาธิปไตยเป็นดิงทิปไตย เป็นทำทิพใจทิพย์เป็นโลกทิพย์แต่ทิพไปทางดีคาว่าทิพย์เป็นมันแปะได้สองทางไฟเราไปจับมันก็เป็นทิพย์เหมือนกันเป็นโลกทิพย์ไปในทางรอดเราเว่นมันก็เป็นโลกทิพย์เหมือนกันเป็นเป็นโลกทิพย์ที่ไม่รอดใจเป็นของทิพย์เหมือนกันทำดีก็เป็นทิพย์อยู่ที่ใจทำชั่วก็เป็นทิพย์อยู่ที่ใจ ใจมีปฏิหารเหมือนกันทำดีเขามีปฏิหารทางดีทำชัว่วเขามีปฏิหารทางตัวบุคคลเราไม่รู้จักปฏิหารหลับตาเขาเป็นปฏิหารหมืดลืมตาเขาเป็นปฏิหารเห็นเปิดมาเป็นปฏิหารทางแก่เก็บตายพระอราหันต์เป็นปฏิหารทางไม่เกิดแก่เก็บตายไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกพระอราหารันต์ พวกโจรเป็นมีปฏิหารทำทางครัว่วแต่นักปราชญ์มีปฏิหารทางทรดีนั่นแม่แรงเพิ่งมีปฏิหารทางกินเกสรดอกไม้แม่แรงวันมีปฏิหารทางตอมไตยหยอดไ ข, ข่ขางลงในของโส ม, มมทับถมทางคนหยาบกว้างทิ้งไม่พิจารพอแต่ตัวกลัวโสโคกนำเชื้อโลกลงไปสู่อาหาร ใครกินเข้าไปก็ได้การเกิดโรคตายประมาณไม่ทวนเอ่ยรัชกาลที่หกรัชกาลที่หกกินตะกะวีกินตะกะวีภาคอีสานนั้นแพร่ระเสนาาสดคนกรุงเทพมีไหมมีกี่คนมีกี่คนกรุงเทพอยู่นี่ ไม่มีมันก็ฟังออกพระอิสานฟังออกไหมพระเวทชั้นดอนท่านท่านลูกท่านเต่า้ทาท่าวันนั่นเป็นวันอุ โ, โบสถปณะละสะปณะละสะเป็นภาษาบาลีเมื่อเรือนเจียงเพ่งไผยพองถูกที่ซองสาลาปัตตวานากรบหอดจอดถึงหัวเงินจงก่มอาสมบทสารา นางโมเห็นอุดมสองอุดมลูกเต่ามานังอยู่ฝ่าวสารานา่งจึงถาเอิงพระบาทวะสองลานาศกุมารอุตติหัวสองกลอมท่านแกนไทยอดลูกไม่หอดเิ้วนมเข้าไปสู่สมติสาราดีอยู่พร้อมทั้งครูกันหาอุุนิคตาหัวา่าออกไปไพ่นอกเล่นแต่ขอกสาราแนคูหาเทือนทำไต้ที่หนามแน่หนองรมพัดฟ่องร่มพัดฟ้องยี่ยองเงือกห่าจองลงว่างนามอัดดังเข่าทอง ตายทั้งพี่และน้องแล้วก็แมลื้ออุนโลจะอุนโลจะาเป็นภาษาบานี้อันว่างเพราะโอเคงกูแม่ในหนานี่แปล เ, เ, เป็นเป็นคำไทยคำราวเหมือนดังจักเตกจักสะไล่น้ำน้อมไหลคัดเคืงเต็มต่าเบงทั้งสองพอเป็นข้องถุกอ่าเพราว่าข้องเห็นหนาลูกกัมพาทั้งสองแม่ก็ขึ้นตนเหมือนแล้วแร่แม่ก็ขึ้นตนแค่แล้วรอแล้วพอแม่ก็ขึ้นตนก็แล้วค่อยแม่ก็ขึ้นตนรอยแล้วลํา แม่ก็ขึ้นต้นไมายําแล้วหาก็ราเห็นดวงตาคําผ้าแม่ก็โวยนาลังไห้หัวเสื้ อ, อ, อ ก, ก, กินลือเพเห็นห้อยหลักหัวหนากินลือเพเห็นหน้าตีฟ้องแม่ก็ไปควกเจียวหาในห้องน้องแล้วไปาหาทัวรักท่านนี่แม่ม้าแล้วเพเห็นเมียมาแล้วเพราะเห็นลูกลูกเขาเนี้ยลูกเขาเนี้ยนางสบายอยู่นางสบายอยู่ลูกเขาเด้ ย, ยลูกเขาเนี้ยบบอก คันบอกคุณย่านนั่งเสียใจไรย่านนั่งตายลูกข้านี่ลูกขานสันนางสบายโยนผู้เขาคิดได้ว่ากดนั่นนะเพิ่นท่านลูกท่านเต่าเพิ่นจังรนม่าเปลนหลูกจักรนิม่าเป็ น, น, นเนพระพนที่เจ้าห้ามมูห้ามมันร่องทุ้นปานั้นดอกะขันมูห้าขากันตายถามเราว่าฝากลูกข้าไปใสลูกม้าห้าไปใส่ขัน ทำแช่ท่านอภาพเละว่ปากเฮียสบายโยพัวภูมิอ่ะไปหาปักไม้หัวมันมาเมื่อน่ะบรไยไอ้ยังเมือนเพราะฝันบุตรีมาขึ้นมาขึ้นฝันว่าใส้เพล่งคนดำๆมาสั้นนุ้งพายจงกระเบนปอกคากได้จกแขนหนึ่งมาันยางยกยยกมากัว่าควดอาตาด้วยนี่ไปควดเอาแ้วนี่ไปกับควดเอาแล้นี่ไปกับเก็บปวด ได้หางลวนมากห่างและหายเลยดีวะสันเลยเห็นหงวะสันตื่นขึ้นมากเยมือเศร้ามากใจบด่ดีเนี่ยก็เห็นความฝันอันบ่ดีในราตรีขึ้นไกลจักสว่างไปหาออกไม่หัวมันม่นมือน่ะหน้ามือที่ท่านลูกเมื่อเดือนเจียงเพ่งพระพองเดือนเจียงเพ่งเดือนเจียงเขาเดือนเดืนอนยังฮะฮะ บนเดียดเกียงเามันเดีอสามบาเดือสามยไม่นายังว่ามเม่นเดือดเกียงเดือนสามเนี่เดือ ด, ดสามเพ้งท่านลูกแล้วไปหาออกไม่หัวม่านว่าได้เหมือนทิศสาอั่ทิศาทางม่านทุกแห่งก็เกิดเป็นอันเหมือนยังนักหนาเมื่อเห็นยังมืดตึบ๊บหมอกนางพระท่าข้อนกระตาไป ไปน้ำท่างเคยหาบอกใหม่ของมันได้เตรียมต้ามามื่อแรกมาไปเพือเดียวบัดมือสิท่ทานมือฝันฝันบดีตื่นขึ้นมากันมืดโกรธฝ่าฝ่าเมฆหมอกยังไปก็เห็นแต่พอคนท่างพองพรองพอเห็นบอกใหม่ของมันยัง บ, ยบัดมือบไดมา ย, ยังมาใช่กับตาเลยบอกใม่หม่ขอมันพอแต่เวียนวายช้ำ น, นี่ภาพพูกนั้นเขามากภาพพวกนั้นภาพพวกนั้นสู้ศก พ, พูกนั้น เมื่อเกิดในขั้งของเข้าเป็นพระเทศทัธละชุ่มซกคนมืเกิดในขั้ศาสนาพระพุทธเจ้าของเาเป็นพระเทศอัธนี่นั่งกินจี้ยเนี่ยทามพมนไม่ได้ไม่ได้ไง่ได้น่ามิจฉาวาสัน่ะได้ได้ผัวเถ่าแต่สาตรกรธาตุอกไม่เฮี้ยวเลยเลยผัวเถ่าเลยผู้ใดจะประทัดของไม่เฮี้ยวได้ธาตุของไม่เฮี้ยวบุตราตุอกไม่เฮี้ยวได้ผัวเถ่าวันแล้วาล ห, หายธ <laughs> าตุาอาาของแล้วคึ้นเจ้าด่ายของวันตนี่ก็กได้ผัวเถ่าวัน เขาไม่พูดไรเฮติศาสก็เลยเมีอยาเลยม่ยเาเถาะกันในพระพุทธศาสนามีอยู่อ่านี่หน้างอะไรไปหาหัวใหม่บักใหม่หัวใหม่ก๊อบมาก๊อบมาพ่อตะเวนซ้ำนี้แหละมามาพอเสือเสือมาตัดนวัตถางมามามาม า, ม า, ม, ามาจากไสนมาจากกรุงเทพมามากี่คนด้ยวยกัน คนเดียวเออคงจะฟังเขาไม่ออกเลยเขาพูดกับฟังไม่ออกเลยพวกเราไม่ได้ลงทุนเหมือนพระเจ้ามาถึงพทธเจ้าดอกอันนั้นท่านเป็นรับบรมศมาศธนาต้องลงทุนมากแล้วไม่ลองต้องลงทุนมากขนาดนั้นเพราะเป็นสาวกสาวิกา มูห้าวจะากันตายให้ท่านหลูกประปากบอกไปฆ่ากันตายข้าผู้มูห้าถ้าเป็นมูลแล้วก็ค่ากันตายค่าผู้เขาละแล้วแต่ก่อนเคยอยู่ภาคอีสานไหมเค ย, เ, คยเกิดที่ไหนนี่ทีนี่คุณเคยอยู่ขอนแกนนานไหม แต่พูดภาษาภาคอีสานก็เข้าใจบ้ารู้เรื่องนะกินตะ ก, กะวีรู้เรื่องไหมรู้ไหมกินตกกะกเวีถ้าพูดเรื่องเรื่องกินตกกะกเวียในภาคอีสาน ร, รู้รู้เรื่องไหมไม่รูออ้ไม่รู้ก็หัดรู้บั่งเนาะ ถึงมันไปเจโตมุดอำนาจหลุดแห่งใจปัญญาวมุตดหลุดพ้นด้วยปัญญาเจโตวมุดปัญญามุดสัมพยุสกันอยู่ชน <im ple wiek> ิดไหนก็เป็นเจโตมุดเหมือนกันสมาธิไม่มีปัญญาจะมีมาจากประตูไหนปัญญาไม่มีสมาธิจะมีมาจากประตูไหน ศีลไม่มีสมาธิจะมีมาจากประตูไหนสมาธิไม่มีปัญญาจะมีมาจากประตูไหนเจโตวิมุตจะเริญสมถะสามส่วนวิปัสสนาส่วนเดียวปัญญาไม่มุตจะเริญวิปัสสนาสามส่วนสมถะส่วนเดียวแต่ว่ากลมกลืนกันไปเหมือนกันกอถึงเหมือนกัน ถ้าไมถึงก็ถึงอุปจารสมาธิเขาได้เหมือนกันได้อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิจาระแปลว่าไปตามในมิตธีตั้งไว้สมมุติว่าเราตั้งว่าในลมหายใจเข้าออกเราเห็นลมมหายใจเข้าพอเราบรญดัดลมว่าลมหายใจเข้ามันก็กลายมาเป็นกลางลมพอบรญดัิว่าเป็นกลางลมมันก็กลายมาเป็นท่ายลมพอบรร ญ, ญัดว่าเป็นท่ายลมเราก็ หายใจออกเราหายใจเข้าต้นลมกลางลมท้ายลมหายหายใจเข้าต้นลมกลางลมกลางลมเพดานปากกลางลมอยู่ที่นี่ท้ายลมอยู่ที่สะดืออย่างพิสดารอย่างกว้างขวางหายใจออกต้นลมอยู่ที่นี่กลางลมอยู่ที่นี่ท้ายลมอยู่ที่นี่จิตจ้องอยู่ที่นี่จ้องอยู่ที่นี่จ้องอยู่ที่นี่จิตจ้องอยู่ที่นี่บางคนก็ไม่ได้จ้องอยู่ที่นี่บางคนบางคนก็จ้องอยู่ที่ ปลายจมูกทับริมฝีปากบางบนเวลาหายใจออกก็มากระทบปลายจมูกเวลาหายใจเข้ากระทบริมฝีปากบนบนเย็นนะ mm hmm. ไม่ไม่ได้แวกออกไม่ได้ตามเสตียแหวกออกในลมความเกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้ความแปลปรอนก็หาระหว่างไม่ได้ความดับไปก็หาระหว่างไม่ได้เนี่ยพวกมีปัญญามากพวกสมถก็ตั้งฉันท่าพอใจละคายในกรรมฐานที่ตั้งไว้ วิทยาเพียร์มประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้เจตตะเอาใจฟักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณเชียงนี่มีบริวณแล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่ที่ต้องประสงค์ถึงเลยแล้วิสัยกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างมันมารวมอยู่ในปัจจุบันหมดแล้วเนี่ยสิ้นธรรมาที่ปัญญารวมแล้วเนี่ยข้อแปดหมื่นที่พระธรรมกันเลยข้อแปดหมื่นที่พระธรรมกันเลยข้อแปดหมื่นที่พระาธรรมกันเลยมีทั้งคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์หาระหว่างไม่ได้ มันก็ขึ้นอยู่กับมันปัญญาเหมือนกันถ้าเดินน้าไฟลมก็มีอยู่ทุกลมห้ใจเข้าออกอันนี้จางทุกคร eta, ches, oil, ั้งอนัตตาก็มีอยู่ทุกลมหาใจเข้าออกศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่ทุกลมห้ยใจเข้าออกคุณพระคุยประธรรมสงคก็มีอยู่ทุกลมให้ยใจเข้าออกทำไฟเกิดไฟดับก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทุกลมหาใจเข้าออกขอให้เราจับเป้าให้มันอยู่ถ้าเราทิ้งเป้าเราก็เรียกว่าเป็นว่าเสื้อขาดมันไม่อยู่เป็นนุ่นปลิวไปตามลม ทับทับแตกถ้าไม่จับไว้ในกรรมฐานถ้ากรรมฐานแปลว่าฐานะแปลว่าตั้งอยู่กรรมแปลว่ากิยาที่ทําทำได้ใจแล้วมโนกรรมทําด้วางาจแล้ววิจีกรรมทำได้ใจแล้วว่ากายกรรมเอาทําด้วยกายแล้วกายกรรมแต่กายกรรมก็ดีวิจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีกายกรรมวิจิกรรมเป็นเมืองขึ้นของมโนกรรมเราใช้ปัญญาตั้งไว้ที่แห่งเดียวมันนเป็สีง ฮะการเป็นสติข้าหน้าเพื่อมีสติอยู่ที่ใดก็มีปัญญาอยู่ที่นั้นก็มีศีลอยู่ที่นั้นก็มีสมาธิอยู่ที่นั้นศีลสมาธิปัญญาแยกกันไม่ได้เหมือนเนื้อกับหนังกับเอ็นกับกระดูกต่างก็อาศัยกันอยู่ที่แห่งเดียวกันเมือนหน้ากับตาแยกกันไม่ออกเมื่อเห็นหน้าเขาเห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันเราพูดเร ว, ว่าเคยเห็นหน้ากัน แล้ผู้ใหญ่ย่อภาวนาพุโทโธไอ้แท้ก็ทำโมทั้งโคลอยู่ที่แห่งเดียวกันเพราะเป็นเชือกสามเกลียวเจโตมิมุตปัญญามิมุตสัมปยุตกันอยู่ในขณะเดียวนะ่ะปัญญาเป็นหัวหน้าทำแต่ละหมวดละหมวดละหมดละหมดหมวหม ด, หม ด, หมดเป็นลำดับคนหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งก็เหมือนกันเช่นผู้ใหญ่บ้านเขาก็หาเอาคนที่มีปัญญาเช่นในหมวดในหมู่เขาก็หาคนมีปัญญา เช่นนายกเขาก็ต้องหาเอาอนมีพงคนาเช่นหัวหน้าโลกคือพระสมานเจ้พุทธเจ้าก็ต้องเอาสาาัพพาสมพุทธเจเธ้าเป็นหัวหน้าโลกเป็นหัวหน้าโลกอยู่ทุกุคทุกสมัยหัวหน้านอกโลกอีกสะด้วยพระสมานเจ้านั่นใครจะตั้งหรือไม่ตัง้งก็ตามมันเป็นอยู่ในตัวใครใครกบฝ้าใครจะตัง้งหรือไม่ตัง้งก็ตามเป็นอากาศ boat, กลางหาวสูงอยู่เหมือนกันไมนขึ้นอยู่กับผู้ตัง้งไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่ตัง้งจะตัง้งหรือไม่ตั้งมันเป็นปัญหา เหมือนเกลืออะ่ะจะตั้งให้ค้าเข้มหรือไม่ตั้งก็าตามค่ามีหน้าที่เข้มท่ากาเข้มอ ย, อย่างนั้น <c oughs> ถูกไหมเออถามฝันถามปมาัญญาถาม se, ถามมีปัฒนามาถามมีปรัฒนามากระทัดรัดดีมากไม่ปไปไปทางโค้งกินแล้วทำให้เหลือะยเกลือกระนะยังเครียรงพอก เออมันมัก็ลงมันถามเป็นบางคนบางคนก็ลงบางคนกาไม่ลงสารพัดมันจะเป็นไปละนิมิตแปลว่าเครื่องหมายและหมายไว้ที่ไหนก็เป็นนิมิตที่นั่นแหละในพระพุทธศาสนายอดนิมิตลงมาเป็นสองเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปนิมิตเพ่งนามเป็นอารมณ์เรียกนามนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมาย ค่าค่ากับสีมาสีมาแปลว่าเขตแดนนิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายไม้ไวในรูปก็เรียกว่ารูปนิมิตไม้ไวดินน้ําไฟลมเรียกว่ารูปนิมิตไม้ไวไวในเวทนาสัญญาสังข า, ารวิญญาเรียกว่าน า, น, านิมิตนิมิตไหนครับพุทธศาสนามีสองนิมิตเท่านั้นฝากนั้นไปไหมเรียกว่านิมิตส่วนในตั้งย่มกเพราะว่างไม่มีนิมิต อันนี้มิตรมิโมกเพราะว่างไม่นีมิตรอันนี้มินนตรมิโมกเพราะเพราะว่างเขามาว่างในที่นั้นเป็นว่างมีขอบเขตด้วยกันว่างจากสัตย์จากบุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ว่างจากความดีความดีไม่อยู่คขามาว่างก็มั่นกันต้องมีขอบเขตตามพุทธศาสตร์นะคำว่าอนัตตาก็ต้องมีขอบเขต อ, อนัตตาบาปเป็นฝ่ายละ อนัตตาบุญเป็นฝ่ายเจริญ อ, อัตตาก็ต้องมีขอบเขตอัตตาฝ่ายชั่วเป็นฝ่ายละอัตตาฝ่ายบุญเป็นฝ่ายเจริญะป็นฝ่ายควรทําให้เกิดเรื่องน้นก็แบ่งออกเป็นสองตนในทางที่ชั่วพยายามละตนในทางที่พยายามปฏิบัติอานาตตาในทางชั่วเป็นฝ่ายละอานัตตาในทางดีเป็นฝ่ายเจริญมันก็ไม่ยากอะไรคนเราไปเอาอัตตาอนัตตาเป็นสงครามกันเพราะไม่รู้เท่าอัตตาไม่รู้เท่าอนัตตา ก็เอาอัตจะกับอาอนัตตาเป็นชกกันไปขึ้นสเตจชกกันได้ทุกเสิยงทุกอย่างเกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้แปรปวนหาระหว่างไม่ได้ดับหาระหว่างไม่ได้เช่นความนึกคิดอย่างนี้แล้วนึกขึ้นแล้วเราจึงพูดก็เป็นอนดีตไปแล้วกลับไปแล้วก็เป็นอนิจจังไปแลยมา พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำวิธีคำพุทโธพุทโธก็เกิดดับอยู่ฮะรลหว่างไม่ได้แต่คุณของพุทโธหาได้เกิดได้ดับไปไหนไม่เข้าใจนะทำโมธทำโมธัมโมอย่างนี้ก็เกิดดับเป็นเพราะวเป็นวัจจีสังขารแต่คุณของพระธรรมหาได้เกิดได้ดับไปไหนไม่ทังโคลทังโคลเหมือนกันพระเนรพลพระนิพานพระเนรพนพระนรพนอย่างนี้ก็เกิดดับเป็นเพราะเป็นคําชื่อแต่รสชาติของพระนิพานม่ได้ดับไปไหน ไม่ได้เกิดไปไหนหนทางหนทางหนทางเป็นคำกลางหนทางใจหนทางภายนอกหนทางภายนอกเข้าใจนะเป็นผู้ไปไตายไปถ้าไม่มีใจมันมันก็ไปไม่ได้ไปหวนทางภายนอกไม่ได้เหมือนกันทำทั้งหลายมีใจปไปหนไงแปดหมื่นทีก็ทำมาขันก็ย่ำลงมาหาใจอาศัยใจเป็นเรือเป็นแพปฏิบัติเพื่อคขับสุขในวัฏสงสาร ถ้ามันมีใจก็ปฏิบัติไม่ได้เห็นไหนคนบ้าบ้าเสียจิตเสียตัวรถทรมาสาร า, า, าจึงไม่สอนอาศัยใจแต่ไม่ให้ยึดถือใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นทับิเป็นบุคคลอาศัยเรืออาศัยแพแต่ไม่ให้ติดในอยู่ในเรือในแพพอถึงข้ามฟากแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลับมาอีก่วนแล้แพมันกลับมาอีก ใจพระสวสดา์วันใจสักขาคามีใจพระอนาคามีใจพระรหานตาเขาอ้างใจมันกันตาเขาอ้างปัจจุบันมันกันปัจจุบันพระสวัสดิ์ันปัจจุบันพระสกขาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันของพระทหารปัจจุบันของพระปฏิปัจจุบันของพระสมานพระเจ้านีมียิ่งยวนกว่ากันพระเบญปัญญาสัมประโยชแยแข้ไขกว่ากันปัจจุบันของพวกโลกีก็ไปอีกแบบหนึ่งนะโมของพวกโลกีก็ไปอีกแบบหนึ่งนะโมของพวกโลกีเขนะโมเรียกนะโมผานะโมบัตนะโมเบนะโมรำนะโมรวยละ พลับล้วนนี่อมิตรไหนว่านะโมในทางโลวงกุตะดิดๆหน่อยๆพระสวรสดนน w a n น้อมถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยจะล่วงรบเส้นห้าเขารบเส้นห้านะโมเส้นห้านะโมพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยว่าจะไประทืษาพระราอ น, นโมพระสวัสดิ a w a ไม่สงสัยว่าจะไปสาบแช่งท่านผู้ใดมึงเถอะไม่มีนะพระสวรสดน กูไม no really? no. so well, right? so ่ได right? ้มังเลี่มนี่กูจะเอามังเดี่มนั้นให้มึงคิดหาใ่ความซักไม่มีในพระตัวตะวันเกิดขส้นไหนเกิดขึ้นไหนรู้ต้องรูแล้วเขียนหนังสือถึงไหนเราก็ต้องรูกตัวสิแล้วเขียนถึงไหนรักไหนรักไหนรัก อ่าตัวไหนสะกดการันล้วก็ต้องรู้ตัวมันฮะก็คู่เขาไม่รู้อินุอคูเนี่ยเขาว่าเราเป็นบา้เ า, อ เ, เ, า, เ, าเออป เ, เป็นเรื่องพจจ์ตังเช่นพระสวสดิวันถ้าเราเสียดายอยากรู้ละเมิทิ้ห้าอย่านไม่ใช่พสวัดาวันเน้อถ้าเราเสียดายอยากเจริอวัยมุฒมันก็ไม่ใช่พระสวัดาวันเน้อถ้าเราเสียดายอยากรั์แช่ง เขาอยู่มันทําให้กูชิบหายอย่างนั้นนี่คล้ามันชิปหายอย่างนี้ก็ไม่มีไม่มีในพระสุวันไม่ใช่รายจากศาศาักสาแฉ่งใครเพราถือว่าถ้าเขาทําผิดเราแต่มาแต่ชาก่อนก็ให้แล่ากันไปซะแล้วโกรธอยู่แต่ว่าไม่ผูกเวรพระสวุวรรณโกรธ อ, อยู่ไม่ผูกเวรอุปนิหารไม่ผูกโกรธไว้ตราสระไม่ยกตนเทียมท่านอิจฉาฤทธิ์ยาเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีในพระสุวันมันชเริยตนี จเกินไปก็ไม่มีในพระสวรธันมายามาญาคือเจ้าเล่ห์ก็ไม่มีสาถอยยะโอวดก็ไม่มีทำพระองค์ดื้อก็ไม่มีสาธธรมพระแข็งดีก็ไม่มีมาะถือตัวจัดก็ไม่มีอธิมานะืดูดินมนท่านก็ไม่มีแต่ว่าพูดตามเป็นจริงถ้าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีดีจะตายบอกว่าไม่ดีมันเขาเรียกว่าขาเรื่องดูหมิ่นมิตรดีสายดีตอนไหนทําดีก็ส่งเสริมตอนไหนทําชั่วก็ขีดกันมิตรดีสายดีพ่อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดี ตอนไหดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วเขาเกี่กันไม่ใช่เราจะทำดีก็ค่อยตามจะทำชั่วก็ค่อยตามต่หนาวาสารเสริมแรงต่างนิมมันใช้ไม่ได้เมอนกัน่าไรนั่นไรมันเอรารปากเป็นขีตบปวกมาใส่กันไมันไปว่าว่าคอยบ่ดีคือแพ้สตีลงกนุ่งสิ้นมีเอะว่าสั่งยางตัวเตี้ยล่งท่าสาหัวไปพ่อนัวตมเอียงมาเมีมมเ่ยนหน่อยนังซือของพ่อสาปากิสาน อะเอ๊ะปะยะทาวาลิวะฮาปราบริบริเรนทิสะกลางเอว่ามีโอีตัวทิ่งนังไปตานังอุปการฏิอิจิตังวิิตังตูหังมวะมตุชเพปูเรนตูสังกับป่าจันโทปะรโสยะทาวาิชโสยะทา จับผ oh ah no oh at no ีทยโยวัชนาสทโภโยโยโุโวินานัต um ุมาเทพบุตรอันตรายโยตุทีติฆายุคูวาภิวาสนีริสานิจังบุทาปจายโนจตารูธรรมาวัจันติอายุวโนสุขังพระลาฮะ เชืยอละด้วยอะไรเสียเวลาด้วยการอ่านหนังสืออ่านหนังสื อ, สสอไม่ได้ทาอะไรช่วงนี้ถ้าเราไปทำธุรกิจวิธีอยา่างนื่นเราก็อาจจะตร้างหลักไปแล้วจะได้ที่หนูอยากจะมงถามหนังสื ว, ว่าตามดวงคุณว่าสนานหรเนีัยหนูจะได้นี่คะในสายถ้าได้หนูก็จะห้นต่ อ, อกไปแต่ถ้าไม่ได้ในสายสาทีูเนีหนูทางที่จะเดินทีสองทางคือทางหนึ่งทำธุรกิจส่วนตัว อีกทนีน่ีใหญ่ที่เป็นนักการเมืองเป็นหนล ง, งทุ น, น, ท น, นเพ่่หนูต้อยยางใู่้หนูเชมาเรื่องควรเปรเน็นอะไรก็ได้แต่ตามที่ดูเขามารักหนตใจพอแรงถ้ามันชัดของคุณหนูตอนไหนขอให้เอาตอนนั้นถ้าคุณหนูชอบตอนไหนขอให้เอาตอนนั้นชอบนะคะหนูก็มาดูแล้วคือเรายังไม่ทรามอาคตของเราเอง อาจารย์ที่จะตอบหนูก็มีอาจารย์ที่อยูนกมเขาก็พามีเพื่อนเขาก็เคยเจียวหนูเขบอกหนูพาไปหาเ่อนอาจารย์เียวนี่สอบวิชการมาสอครั้งแล้วครั้งที่สองเนี่ยหนูเคยติดเกิเขาตรวจรอบแรกมีแปดสี่คนหนูมีชื่อในนั้อาจารายาร์เนอะ่านทีนี้พอมันยไม่ยอมมุดวายอะไรมากมายข้างในก็นันต <c oughs> อนที่เปยีตัดปัญหาตรวจก็สอบเรียหกคนร่วม ออกมาคน็่วงาวที่แล้วเนี่ยร่วงไมความหมายยังไงล่วงหว่าาประกาศถ้ารอบแรกความตั้งใจจะประกาศ80คนคือมนติดในนั้นโอไม่มาติดนี้เรามีเรื่องวุ่นวายเขาเลยประกาศใหม่ที่เป็นปัญหาต่างๆเอาค่น้อยที่อยู่6คน6คนนู้คะแนนไม่เห็ก็ล่วง่แล้วเพราะว่านูหนึ่งอาจจะติดที่50 6อะไรเนี่แต่นู้นติดหนึ่งใที่สังเกตสังเกตด้วยว่าเขาจะลำเอียงไหม ไม่ยนอหลักความเป็นจริงแต่ทีนี้อาจารย์รู้ก็กาวว่าันจะ เ, ขขเรืเสียใจทีนีนหลง่อาจารย์็บอกว่าไม่เป็นไร น, นอนฝันไปเลขอันนั่นเลขอันนี้พวกมิจาอาชีวะทาะ <c oughs> ่านละนะข้างพุทธการพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ออกกฎหมายพระเจ้าพิมพิสารส่งอำนาจชต้ขาด ตั้งอยู่หอนใต้ติดบูรเป็นแคว้นใหญ่และมีอำนาจแะและแล ะ, แล ะ, แ, ละและมีอำนาจมากส่องอำนาจทิศขาดพระเจ้าพิมพิสารองค์ท่านเป็นพระสวดาบันแล้วองค์ท่านตั้งกฎหมายองค์ท่านเอาเอาเส้นห้าเป็นแง่เอาพุทธศาสนาเป็นแง่สิ่งนที้จีพีเอลพระพุทธศาสนาท่านก็ไ ม, ม่ไม่ส่งเสริมท่านทรงอำนาจทิศขาดตั้งกฎหมายเอาเ อ, องข้าพุทธกาลแต่เอาศส้นห้าเป็นแว่ เอาสถาบันพระพุทธศาสน า, าเป็นแหวนถ้าเป็นพระสวสดิาบาลแล้วพระเจ้าพินพิสารทรงอํานาจสิทธิขาดเด่นกว่าเพื่อนพระเจ้าพิมพสารมีอํานาจมากกว่าเพื่อนอยู่ที่กรุงราชคือและก็กรุงราชคือมีพระสวสดิาบาลมากกว่าเพื่อนเมืองสวาทีก็มีพระสวสดิาบาลสักทาคามีอำนาคามีมากกว่าเพื่อนพวกหนึ่งพวกนึ่มีทั้งนั้นนะพวกหัว ด, ดำหัวอะไรเนีพวกขราวานพวกพิชัวซามยัยก็มีมาก พระสวัสบา น, นับเป็นเหมือนๆแล้วพระสทาคามีก็นับเป็นเหมือนๆแล้วนับเป็นลาลานอกีกด้วยชิเสลหุดมาฟังเทศลหุดหนึ่งคงจะเป็นหมื่นหนึ่งคงจะเป็นชิเละหุดมาฟังเทศถึงพระสวัสดิบาลดทั้ง้ามาฟังเอกบ้านนารันทคกามก็มีพระสวัสดิบาลมีสกทาคามีอน า, าคามี มากเหมือนกันบ้านภาษาดิบุตรพวกขลรวัตบันที่โตควลามาวะสังบันที่เป็นผู้ครองเรือนบันที่ตาบันที่โตควละขลามาวสังบันที่เป็นผู้ครองเรือนคือคือคือพระโสดาบันบันที่ตาปัินาจกกาบัณทิตจึงคนเป็นหัวหน้านาถีพาราปรินาจกะคนผ่านมาแค่คนหัวหน้าเนอพระบรมสารีรบันที่ตาปัญนาจกะบันทิติมเป็นคนหัวหน้า ันรทิดหมายเอาเพียงไหนก็หมายสุภจปนูนั่นเองนั่นนั่นั่ น, นพระพุทธศาสนาสอนทั้งคาราวาสสอนตั้งพระภิกษุษสามเณรด้วยสอนทั้งเทวบุตรเทวดาด้วยสอนทั้งพระลาหัน์ด้วยสอนตั้งตั้งสักขาคามียนาคามียพระลาหน์ด้วยจึงทรงพระนามว่าสัทธา <c oughs> เทวมนุษย์ชาหนังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นธรรมาธิปไตยไม่ใช่อัตตาธิปไต่ไม่ใช่ประชาธิปไตย นี่เป็นแกนของศาสนาใดในโลกด้วยเป็นดิ่งของทุกๆศาสนาด้วยเป็นกรรมการของทุกๆศาสนาด้วยทุกยุคทุกสมัยของโลกแต่ว่าศาสนาอื่นมาประชันขั้นแข่งมันก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย่งถ้ามีนักวยเอกไม่มีนักวยโทมาแข่งมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่รู้ว่าจากนักวยเอกใช่ไหมนั่นมันก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยอ่ะเอา ถามมาเอกนะมหาอะไรเนี่ยมาหาอะไรเนี่ยมาหาอะไรไม่ไม่ได้บวกไม่ได้บวกดูหน <c oughs> ังสืออดหนังสือ เ, อ, เอ้า <c oughs> พูดมาเอากสินี่มีเหตุผลพอแล้วหรือยังย่าให้หวงูเพเจ่างั้นนั้ อ, อา่านนี่ชั้นสีแล้วก็มัดแปด้วยผมยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เอออันนีสัที่หนึ่งทุกสองสมทุทไทยคือเหตุให้ทศเกิดสามนี่รู้ครดก เราทําให้แก้สี่มั้งคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกขเพราะเป็นของทนยากตัณหาคือความทยานอยากได้เรียกว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดตัณหานั้นมีประเภทเป็นสามคือตัณหาในอารมณ์ที่น่ารักใคร่เข้าใจเรียกภาวะตัณหาอย่างหนึ่งตัณหาในความอยากเป็นโน่นเป็นนี่เรียกภาวะตัณหาอย่างหนึ่งตัณหาในความไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่เรียกวิภาวะตัณหาอย่างหนึ่งความดับตัณหาได้สิ้นเชิง ทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดนตัวได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกข์ปัญญาเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งนี้ความดับทุกข์สิ่งนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับทุกข์ได้ชื่อว่ามัจเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มักนั้นมีองแปดประการคือปัญญาเห็นชอบหนึ่งดําริชอบหนึ่งเจรจายชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งทำความเพียรชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่ง ขยายออกเป็นมรรคแปดสมาธิปัญญาเห็นชอบมรรคแปดสมาธิปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดมรรคเป็นผลของนิโรธมรรคเป็นเหตุให้ถึงนิโรธนิโรธเป็นผลของมรรคมรรคเป็นเหตุให้ถึงนิโรธศิ้นสมาธิปัญญาคือมรรคทาให้แก้งเรียกว่านิโรธท่ สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริยสัจ ส, สี่สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือนดอคือดำริจะออกจากกามหนึ่งดำริในอันไม่พยาบาทหนึ่งดำริในอันไม่เบียดเบือนหนึ่งสัมมาเจจาเจจาชอบคือเว้นจากวาจีทุจริตสี่เว้นจากพูดเท็จพูดถอเสียพูดคำหยาพูดเพื่อเจอสัมมากรรมมันโตการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริตสา เว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเรียกว่าสัมมารกระมันตูสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบคือเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตเรียกบัดเบอร์บวกเบีย้ยจัดเข้ามิจฉาจิติมิจฉาอาชีวะทางนั้นแหลอฆ่าขายเครื่องอาหารเหล่านี้ฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตเป็นเนื้อสัตว์ทีตัวเข้าไปเป็นอาหารฆ่าข า, าน้ำน้ำเมาฆ่าขายยาพิษเหล่านี้ก็เรียกว่ามิจฉาอาชีวะทางนั้นหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตต่างๆนานาคลองปลอมก็มี เอาชองปลอมไปขายหมดนี่เหมือนกันมันก็ผิดสิ่งนันที่หลักผิดหลักสินธรรมของสินหาสิ่งนั้นก็เรียกว่ามิจฉาทิติท้านนกเรียกว่ามิจฉามิจฉาอาชีวะสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่สีสถานเพียรในที่สีสถานคือเพียรยังไงสังวรรับประทานเพียรระบาดม ห, บบนนด ะ, หาาะบาปเกิดขึ้นใี่สันนาร์หารรัประทานเพียรระบาศี่เกิดขึ้นแล้ว ภาวนาประทานเพียงให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานอนุรักษณาประทานเพียงรักาษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบให้มีในตนทีนี้ย่นความเพียรลงมาเป็นสองเพียรระบาดบำเพ็ญบุญสัมมาสติระลึกชอบนี้สมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐานทั้งสี่ ส, ส, สติปัฏฐานทั้งสีคืออะไรว่าคือกายคือเวทนา คือจิตคือธรรมระลึกชอบคือระลึกยังไงพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายในภ่ย ก, กว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสนาอย่างย่อนโดยจากความพิจารณากายลงตัวถึงอนัตตาพิจารณาเวทนาความสวยอารมณสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็ศัว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุปัสนา พิจารณาใจที่เศ้ามองหรือฝั่งแผ่วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัต์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตาลพัสชนาพิจานาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี้ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียบธรรมานุปัสนะโดยจากความพิจาณาสติปัฏฐานสี่ลงสู่อนัตตาไม่ใช่สาวไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่ากายเป็นแต่สักเวทนาเป็นแต่สักว่าจิตเป็นแต่สักว่าธรรมที่นี่ทำจิตให้ว่าออกจากเหล่านั้น ไม่สำคัญว่ากลายเป็นตนตนเป็นกลายไม่สําคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเเป็นเวทนาไม่สําคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตไม่สําคัญว่าธรรมเป็นตนตนเป็นธรรมคือจะแยกออกให้มันเป็นของว่าโดยจากความธรรมะชัตนสูงอ่ะเนี่ยชั้นอันนี้มันเป็นชั้นของภาคพระสวัสดิบันไปแล้วเนี่ยทีนี้สมาสมาธิสมาสติแล้วนะสมาสมาธิเจริญฌานทั้งสี่ปฐมฌานทุติยฌานทติยฌานเป็นฌานที่สองหรือที่สาม ที่สี่เรียกว่ารูปประชานเพยงรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปประชานชานทั้งหลายก็ดีชานางแปลอาเพียงอยู่สมาธิทิงไปว่าตั้งมั่นชานทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอนิจังหมดกำลังก็ถอนออกมาให้ชักลงสู่ตจ ร, รักเหมือนกันทีนี้นี่มันยังกว้างขวางอยู่ทีนี่เอา้าพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่ ทุกสมุทัยนิโรธมักอธิยาสัตย์เสียอ๋อ <c oughs> ทุกสมุทัยนิโรธมักเมื่อเราพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่ก็ดีสมุทัยความทะเยอทะยานก็เบาลงมักก็เจริญไปในตัวนิโรธก็ทำให้แจ้งไปในตัวอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องเรียงแบบอันนี่ที่ว่าพูดด้วยเมื่อกี้ในเรียงแบบเนี่ยขยายตามเรียงแบบที่นี้ไม่พูดเรียงแบบพูดปัจิบัติบบที่นี่เมื่อพิจารณาอันนี้ตังเป็นอารมอยู่ เมื <ME> ่อพิจนาอนนี้จังชัดมันก็เห็นทุกอย่างนั่นชัดอีกมันก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอยู่ในนั้นนั่นชัดอีกไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลอย่างที่นั่นชัดอีกมันก็มีพี่เมื่อพิจานาอันนี้จังเป็นอารมณ์ความเทยทะยานในโลกทางหลายคือตัณหาทางหลายก็เบาลงนะเมื่อัาตัณหาความเทยทะยานในโลกทางหลายเบาลงมันก็เป็นตัวศีลมันก็เป็นตัวสมาธิมันก็เป็นตัวปัญญาอยู่ในตัวมันก็เป็นตัวทําให้แจ้งอยู่ในตัวไม่ใช่ว่า จรียทุกแล้วก็จะริยนสมุทรไทยแล้วก็จรียนมักแล้วก็จะริยนนิโรธ น, นั้นมันเรียงแบบไม่ถูกกันเข้าใจไหมทีนี้เข้าใจนะอะเข้าใจแล้วกระจางบ้างแล้วนะยังไม่กระจาง ก, ก็ถามอีกอ่อสว่างกระจางใจมณฑ์ทำใด น, นับโดยนกผล กรรมฐานอนิจญาส่งต่อพระนปัญญาหมดกรรมฐานจตะอนิจญาส่งต่อพระนปัญญาหมดที่มันส่งไม่เป็นเพราะปัญญามันต่างกันนั่นมตัวเดียวก็ส่งต่อพระเนปัพาาหมดพุทธทางตัวเดียวก็ส่งต่อพระเนปัญญาหมดทำวัดเดียวส่งต่อพระเนปพญญาหมดส่งต่อพระนปัญญาได้วัดไม่ฝืนเลยผู้ภาวนาเมตตาก็ส่งต่อพระนปัญญาได้เหมือนกัน พิจารเมตตาลงจ น, จนถึงอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลพระเนรพนเป็นมหาเมตตามหาเมตตาทั้งหลายไปรวมอย่างที่พระเนิพานเพราะเมตตาตนพอแล้วตนก็มาเกิดแก่เก็บใต้อีกก็เรียกว่าเมตตาตนแล้วก็สั่งสอนสัตว์ทั้งหลายให้เข้าสู่พระเนรพลเขาเมตตาสัตว์อีกเหมือนกันนะเมตตาเนี่ยจะส่งต่อพระเนรพลได้ทั้งนั้น ความตายก็พิจารณาส่งต่อพระนิพพานอย่างนนกันเพราะพระนิพพานไม่ตายพิจนาตายให้เบื่อหน่ายเนี่ยตายแล้วจะไปจะยินดีในพระนิพพานน่อยอุปสรรคปัญญาพิเศษเป็นเหตุถ้ายินดีในพระนิพพานในใจโลกธาตุเป็นเป็นอุปสรรคหมดถ้ากนละกายเป็นอุปสรรคทั้งนั้นะตาก็เป็นอุปสรรคหูก็เป็นอุปสรรคยัหูกก็เป็นอุปสรรคลิ่นก็เป็นอุปสรรคกายก็เป็นอุปสรรคใจเขเป็นอุปสรรคใช่ในทางถูก ก็ไม่เป็นอุปสรรคใช่ท่านผีเขาเป็นอุปสรรคเหมือนกันได้ในโลกล้วนอนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในโลกล้วนอนัตตาอยาสงใช้แรงงาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยทั้งสิ่งที่มีวิญญาณด้วยทั้งสิ่งที่ไม่มีวิญญาณด้วยจริงอยู่ไม่มีกางวันกลางคืนท่ายเกิดฝ่ายดับก็เกิดดับอยู่ไม่มีกางวันกลางคืนทำาฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีทั้งทั้งกางวันกลงคืนดอกบัวเป็นดอกบัวอยู่ใต้น้าก็ใต้น้ำเต็มภูมิอยู่ไม่มีกลางวันกลคืน ดอกบัวเสมอหน้าก็เสมอหน้าอยู่ไม่มีตะวันกลคืนดอกบัวตูมก็ตูมอย่ไม่มีการวันกลคืนดอกบัวบานก็บานอยู่ไม่มีการวันกลคืนมีทุกยุคทุกสมัยดอกบัวไม่มีแต่ข้างพุทธกาลข้างพุทธกาลเปรียบเหมือนดอกบัวสีเหลาคนทุกวันนี้ก็เปรียบเหมือนดอกบัวสี เ, เหลามั้งกันงั น, นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่ใช่มันมีในอดีตอนาคตเราพิจารณาดินดินจึงจะมีอย่างนั้นไม่ถูกมันมีก่อนเราแล้ว เราจะไม่ใส่ชื่อเรือนาว่าดินมันก็มีอยู่ลักษณะอันใดเป็นของแข็งลักษณะอันนั้นเป็นดินเราจะใส่ชื่อเรือนามาดินหรือไม่ใส่ก็ชื่อเรือนามก็ตามมันก็มีอยู่แล้วแล้วน้ามีแล้วใส่ใส่ชื่อว่าน้ามน้ําจริงจะมีเราใส่ชื่อว่าลมลมจริงจริงมีไม่ใช่เพราะมันมีอยู่ก่อนแล้วสมมติก็มีอยู่ก่อนสมมติก็บอกตามเป็นจริงของสมมติปนมันมันลึกกว่าสมมติสมมุติทั้งหลายน่ะ มันเกิดขึ้นแค่แปลปวดแค่แตกสล า, like like ายท in e ีนี้มันเลกลายเป็นปรมัิไปสมมติว่ามนุษย์คนเราเนี่ยเหมือนกันก็เป็นมนุษย์ตามเนจริงของเราเหมือนกันทีนี้เราจะหาคนในมนุษย์เราจะหาคนเยอะเนี่ยก็มาเห็นเหมือนกันนะอ๋ออันนั้นกดผมอันนั้นก็ขนอันนั้นก็เล็บอันนั้นก็ฟันอันนั้นก็หนังอันนั้นก็เนื้ออันนั้นก็กระดูกอันนี้ก็เยื่อในกระดูกอันนั้นก็หัวใจอันนั้นก็ตับอันนี้ก็ฟังผื่นอันนี้ก็ไตไปตอดไ้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาเก่าทีนี้แต่ไม่เห็นคนใช่ไหมอัญัิาาดนีนี้าดินนเะ ผมขนแลบฟันนั่งเนื้อเอกระดูกยอดกระดูกมากข้าใจตาตตปลาตปอดใช้ใหญ่ใ้อยอหายหเกานี่จั น, นํารวเาเป็นธาตุดินดินเศษนองเลือดหงายเงอนน้องอน้นง้นนนำตาเปียมันน้ำลายน้ำมูกน้องไขข้อน้ำมูด อ, อันนี้เป็นธัดน้าไงไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดรมไฟที่ยังกายให้วนวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนี้เป็นธัตไฟ ลมพัดขึ้นบางบนลมพัดลงบางตา่ําลมในท้องลมนในไส้ลมมัไปตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นทับลมเวทนาความสวสุขทุกอารมณ์นี่เป็นเวทนาความสวยอารมณ์นี่เป็นนามขันเนยนามขันสัญญาความจําได้ไหมรูกคือจํ า, ารูปเสียงกลิ่นรสผัวดภาะธรรมารมณ รูปะสัญญาสักธะสัญญาขันสัญญารสสัญญาปุถะสัญญาธัรมะสัญญาเนี่สัญญาแต่ว่าความจำจำรูปแยลว่ารูปะสัญญาสัญญาคจสังขารความพุงแต่งแห่งกิจไงวิญญาณความรู้ทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจจักขุบวิญญาณชดวิญญาณฆาตวิญญาณเชียวไหววิญญาณกายะวิญญาณมะโดวิญญาณอันนี้ก็ธาตุดินอันนี้ก็ธาตุน้า อันนี้ก็ธาตุไฟอันนี้ก็ธาตุลมอันนี้ก็เวทนาอันนี้ก็สัญญาอันนี้ก็สังขารอันนี้ก็วิญญาณมนุษย์อยู่ที่ไหนที่ไม่มีมนุษย์กระจายออกแล้วนี่เราก็ไม่มีเรามีอยู่ที่ไหนนี่อันนี้ก็ดินซะอันนี้ก็น้มซะอันนี้ก็ไฟซะอันนี้ก็ลมซะอันนี้ก็เวทนาซะอันนี้ก็สัญญาซะอันนี้ก็สังขารซะอันนี้ก็วิญญาณซะเราก็ไม่มีใช่ไหมคที่นี่เอ้าจะหาพลังงานในมนุษย์ของเราไม่เห็นใช่แล้วเนี่ยนี่เอ้าสมมติอะไรอีกเป็นพระังงานเอ้าสมมุติ น, น, นี่ก็ธาดดินซะนี่ก็ธาดน้ำซะนี่ก็ธาดไฟซะนี่ก็ธาดลมซะนี่ก็เวทนาซะนี่ก็สัญญาสังขารยังไงพระรหันไม่มีในเลยแต่หาเราก็ยังไม่เห็นในนี่หาพระรหันจะเห็นยังไงอยู่ที่ในที่นี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีนั่นนั่นนั่น่น น, น, นู้สําคัญตนเป็นพระรหันกัผู้ผีบ้านะ <c oughs> แต่มนุษย์แต่คนมันก็ยังไม่มีไล่ออกไป ไปซคนขันตนไปพระหันยังไงมันไม่มีนี่พระบรมศาลาให้แยกแยะอย่างนั้นถ้าไม่แยกแยะอย่างนั้นมาทิศถี่มันก็หาไปขายไม่ไหวนั่นพระยะมะกะชพยมะกะบอกว่าพระหันตายแล้วศูนย์พระถกนักเรงดีถูกพระมหาสาดีบทใท่ไี่เออ เธอไปยืนยัน<บ>ว <açık> ่าพ yeah <ming> ระห <niin> ันต์ตายแล้วสุดอย่างนั้นหรือครับมาผมยืนยันมาหลายปีแล้วผมไม่เชื่อหลักใครมาพูดผมก็ไม่เชื่อเออผมจะถามท่านนะท่านเข้าใจว่าขันห้าเป็นพระหันต์หรือไม่อย่างนั้นพระเจ้าข้าท่านเข้าใจว่าขันอื่นเป็นพระรหันต์หรือไม่อย่างนั้นพระเจ้าข้าท่านถ้เข้าใจว่าผมขดแอกฟันนั้งแอกระดูกเแอกในกระดูกตลอดถึงรูปขันนัําขันเป็นพระหันต์หรือไม่อย่างนั้นพระเจ้าข้าอ้าวอะไรอะไรก็ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นเอ้าถ้าอย่างนั้นให้ท่านหาพระรหันต์ในขันห้าดูสิ ครับอันนี้ก็ธาตุดินสะอันนี้ก็ธาตุน้าสิอันนี้ก็ธาตุไฟอันนี้ก็ธาตุลมสินี่สมมติเราเป็นลูกขันทีนี้ี่สมมุติเราเป็นกายดินน้ําไฟลมมาชนกันเป็นกายเรียกว่าลูกนี่เมธ衲สัญญาสังขันวิญญาณรวมเข้ากันเป็นน้ำก็เรียกว่าน้ำน้ำลูกกายนี่เป็นรูปประโลกก็ว่าได้รูกประธรรมก็ว่าได้รูกประขันก็ว่าได้รูกประธาต์ก็ว่าได้อันนี้น้ำมะโลกก็ว่าได้นามะธาตุก็ว่าได้น้ำมะขันก็ว่าได้น้ำมะเองนเซก็ว่าได้ทั้งนั้นแหละ เดี๋ยวพระโลกภัยส่วนโรกภายนอกของนอกจากเราไปอีกเธอเห็นไหม่ะเห็นพระรหัส น, นี้ขันห้าไหมไม่เห็นครับไม่เห็นทําไมเธอไปยืนงานว่าพระรหันตายแล้วสนหักมานี่เองโอ้แต่ก่อนกับผมก็ไม่รู้ครับมันโง่เดี๋ยวนี้กัผมรู้แล้วอทอนี้มีผู้ถามว่าพระรหันตายแล้วไปเกิดที่ไหนท่านจะว่ายังไงเออลูกเวทนาลูก เนาสัญญาสัขงขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงดับไปแล้วพระเจ้าค่าโอ้ดีล่วดีล่วดีล้วภาษารีหุดนอนนักเรียงดีไปพบกัน <c oughs> นักเรียงธรรมะไม่ใช่นักเรียงชกต่อเยเหตุ <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นท่านจึงถอนอุปทานได้มีผู้มาให้คะแนนเธอเป็นพระหันเธอไปอยาไปยันดีเน้อพระบรมศาสน า, ษา เธออย่าไปรับเนอเธออย่าไปยินดีรับเนอถ้าเขาให้คะแนนเธอว่าเป็นหมาเธอก็อย่าไปโกรธเนอถ้าหางของเธอไม่ออกพรพุทธมศาษณ์จลาสอนอย่างนั้นถ้าหากว่าความประพุทธของเธอต่ํากว่าสุนัขถึงแม้เขาจะไม่บัญญัติว่าเธอเป็นสุนัขมันก็เป็นอยู่แล้วพระพุทธลมภาษณ์จะาถ้าหากว่าเธอมีกิเลสเต็มพงอยู่แล้ว เป็นเปลภาพเปลี่ยนอินอยู่แล้วเขาเป็บัญญัติผูหานเธอก็ไม่เป็นถ้าหากว่าเธอเป็นพู้ทหารแล้เขาจะบัญญัติว่าเธอเป็นสุนัขเธอก็เป็นผูหานอยู่อพระบรมศาจนาเธอระวังให้ดีเรื่องเหล่านี้พระบรมศาจนาเรื่องของเขาให้คะแนนก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องเข้อบุญก็เป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเขาเขาถามอยู่ว่าถามลกปู่ลกปูรจะเอาคนไหนมา เป็นยอมอุปถากเขาถามอย่างนี้ก็มีเออเราอุปถากันเป็นเรื่องของเขาอ่ะเขาเขาพอใจเขากระมาอุปถากเราปรแต่งเอาอย่างนั้นก็ประแต่งเอาลูกเสษผีสิเราก็พูดอย่างนี้แต่งได้แต่เอาอย่างนั้นเรากพูดอย่างนี้ก็ขาเราสัก <c oughs> การไปบินท บ, บาทเป็นหน้าที่ของเราจะให้หรือไม่ให้มันเป็นหน้าที่ของเขาชิตอยู่กับเขา ระบบมาเป็นหน้าที่ของเราส่วนเขาจะนับถือหรือดีเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะติดเตียนก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราเราไ ม, ม่หน้าที่ปฏิบัติเพื่อคนทุกก็มีก็มีหน้าที่เพื่อปฏิบัติเคนทุกเ่านั้นเรื่องนินทากาเรเทนามันขึ้นอยู่กับเขาเรื่องสั้นเสร่อมีลาบหนึ่งไม่มีลาบหนึ่งมียศดหนึ่งไม่ไม่มียอดหนึ่งนินทาหนึ่งสรรเสริญมหนึ่งทุกหนึ่งทุกหนึ่ง การทำแปรประกาศนี้เกิดขึ้นแล้วควรพิจารณาว่าสิ่ง น, นี้เกิดขึ้นแล้วแกเราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรู้ตามที่เป็นจริงอย่าให้มันครอบงากินได้คืออยาเยินดีในส่วนที่ป่าธนานะอยาเยินได้ในส่วนที่ป่าถนาน่ะพี่พ่อของเราบอกไว้แล้วนะพี่พ่อพูดเราเอาวิชาไปให้เราหมดแล้วเนี่ยเรามันด้บอกเอาวิชาให้เราหมดแล้วเนี่ยถ้าเป็นทหารเราก็ทงเราก็ส่งเครื่องเต็มยศแล้วเน่ะพี่พ่อเราให้เราถูกไหมอืมนั่น อีพ่อของเราเท่านั้นเราให้ไวสิ่งไห น, นอีพ่อของเราไม่ได้ให้ไม่มีเราเราจะรักษามระดกของพ่อของเราหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องของเรา อ, นนอ <laughs> ที่ไหนพระบรมศาสด า, า, าไม่สอนมีไหมไม่มีอ๋อสอนคารวาะก็สอนหน้าที่ของคารวาะปฏิบัติตพระนิลพระบรมศาสด า, า, าก็สอนเนี่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 ถ้าทำสิ่งที่ฟังให้แล้วให้แกมมุกบอกทางสวรรค์ให้พขาบอกว่าศาสตร า, ษษาสอนอวันแดนบอกพี่ซุสซามาเดนเขบอกบัด น, นี้เรามีเพศต่างจารึกประหารแล้วอาการจิตญาใดๆของสมณะเราต้องทําอาการจิตญานั้นความเลี่นนยงชีวิตของเราหนึง่งเราผู้อื่นเราควรทำใจเขาเลี่ยงให้ อาการกายวายใจอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่เพียงเท่านี้ตัวของเราเองติดเตียนโดยตัวเราเองได้หรือโดยสิทิ์ไม่ผู้รู้ใข้ควรแล้วติดเตียนเราได้โดยสิทิ์หรือไม่จะต้องพัฒนาแก่ของรักของข้าวไก่างนั้นเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทํำดีจากได้ดีเราทำชั่วจากได้ชั่ววันคืนโลกไปโลกไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่เรายินดีในชี่สงัดหรือไม่คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทําให้เราเป็นผู้มีเกื้อขืนในเวลาเพื่อนบรรพชีถามในการภายหลังนี่สอนฝาสวนพอกยมนี่ไหม เวลาพระจกรสองจำพวกจำพวกหนึ่งทําตัวเป็นนายพระในเนเนจำพวกนั่นจะไปนรกจําพวกหนึ่งทําตัวเป็นลูกศิษพระศิษเนนจำพวกนั่นจะไปสวรรค์นั่นัน่นั่เอ้าเอเอ้าเอระ <c oughs> วังตัวให้ดีอันนี้อ <c oughs> สอนมันกันสอนพระก็สอนความเรื่องชีวิตเรื่องด้วยผู้อื่นเราควรควรตัวใหเขาเรียบ ง, ง่ายพระบรมาชาติลาและนี่ข้อนี้สําคัญมาก เดี๋ยวเ็แผ่นั่นเดี๋ยว ก, ะะยวกขข อ, อนี่อะไรเ็นเพล่นาน่ะอ่อาตมาฝันอย่างนั้นอาตมาฝันอย่างนี้ถ้ารวยแล้วก็อเอามาให้อาตมาบ้างเนอะ